ความเจริญในธรรมซึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณได้นำเสนเอาบา ร, รมีข้อที่สามคือเนอคขมะบา ร, รมีมาตามลาดับก็มาถึงช่วงหนึ่งต้องการจะกระจายเห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องผูกขาดคือไม่ใช่เรื่องของประโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะต้องบาเพ็ญบา ร, รมี แต่จริงแล้วคนทุกคนที่ใครในธรรมยินดีในธรรมก็ควรจะบำเพ็ญบา ร, รมีด้วยกันเพราะว่าบา ร, รมีมันครอบคลุมพฤติกรรมของคนดีทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ป้องกันขจัดความชั่วในระดับต่างๆออกไปจากจิตใจของบุคคลทั้งหลายลบา ร, รมีวันก่อนนั้นไม่ใช่คือพระมัจจันในวันก่อนนั้นก็ได้พูดมาถึงเรื่องของทาน เรื่องของการช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานต่างๆในต่างที่ชอบชี้วรเดี๋ยวก็เรื่องของศีลศีล น, นั้นมาก็มีความประนีตขึ้นนะฮะเกิดหมายความว่า เ, เริ่มมาจากศีลเป็นปเจเวนนวิรัตคือศีลทั้งทั้งห้าประการแต่ว่าท่านจะมาเน้นที่ตัวศีลศีลวัวสดขึ้นไปเป็นการรักษาชุกครั้งชุกคราว เป็นการควบคุมอาการกายวาจาของตนเองให้ประณีตขึ้นคือบางเรื่องไม่มีปัญหาะไรกับใครหรอกต้องการจะฝึกปรือจิตใจของตัวเองให้มีความอดกรั้นมีความอดทนมีความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่ย่โยกยะหยุดมาจากข้างนอกแลก้วก็ตุ้นเตือนออกไปจากข้างในก็กลายเป็นแต่ละข้อนั้นเป็นพรหมจันร์ ทีนี้ประการต่อไปนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมทุนนพิรัตคืองดเว้นในเรื่องการเพศมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้หมดเลยนะหมายความว่าต้องการความเป็นนี่ต่ด้านจิตใจของตัวเองมันจะต้องเว้นงดเว้นจากการเมทุนนพิรัตหมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกลักษณะ ก็จะเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการกระตุ้นเร่งร้าของกิเลสแล้วความรุนแรงของการมราคะความปรารถนาต่างๆมันจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากระจายออกไปก็จะเห็นชัดเจนนะว่าความต้องการในเรื่องทางเพศถ้าบริปกกันระหว่างสองคนมันก็ไม่มีปัญหาได แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความต้องการรุนแรงมันก็กระทุ้บกระตุือนต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนคือสรุปว่าอาการกิเลสเนี่ยมันร้อนทั้งนั้นนะเพรางท่านที่มองเห็นโทษ โ, ทษโนในการมีทุนธธรรมมีทุนนั้นแปลว่ากรรมของคนคู่คือเรื่องของคนสองคนแล้วการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะระหว่างเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันหรือแม่แต่ว่าคนกษัตริย์อะไรแต่อะไรก็ตามวั่งกระจายไว้เยอะเลยมันเป็นพฤติกรรมที่ ก็ น, นึกๆบางทีเราอ่านๆคำภีร์พระพุทธศาสนาในพระคุปพระโบาณอาจารย์ในท่านเก่งนะท่านรอบรู้เราเกิดในเรื่องเลนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันไปตรงกับวิชาการสมัยใหม่หรือปฤติกรรมของคนสมัยใหม่ที่มีการพูดกันถึงเรื่องอะไรกระทงกระเทเอยเรื่องคนหลักกระเพดเรื่องอะไรต่างๆนี่ยมีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยในคัมภีร์เปลี่ยงแต่ว่าพระเนี่ยไม่ค่อยนิยมออกมาพูดในเรื่องเหล่านั้น ก็เป็นการศึกษารับรู้เอาไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ไดเอามาสอนไม่เอามาพูดแสดงข้างนอกเวลานี้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเรียกหาจากคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะมันก็สร้างไปรูปซีดีรอมขึ้นมาในลักษณะต่างๆหลายจุดที่รู้เวลาเนี้ยก็คือที่มาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ที่มาวาิทยาลัย ที่เชียงใหม่นะฮะมาวิทไหลมหาจุฬาลงกรณ์ราชเทวีแล้วก็สมาคมศิทธิ์เก่ามหาจุฬาในข่าวว่าก็ควนจะเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วมหากราฎีอะไรเองก็กําลังจะทําวันต่อไปความรู้ในเรื่องเหล่าเนี้ยเมื่อเราต้องการศึกษาสาบทานเที่ยบเคียงได้จะเห็นถึงความน่าทึ่งน่าชื่ใจว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไรปรัญหาว่าคนที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือสำนึกสำเนียกที่จะงดเว้นที่จะไม่ลงละเมิดที่จะไม่กระทำด้ดยตัวอนตัวเองแต่ว่าในชั้นนี้คุณสังเกตว่าท่านต้องระมัดระวังแม้แต่การนั่งใกล้าการอยู่ด้วยกันในที่ลับการจับต้องมือจับมือถือแขนใๆ แ, แม้จะไม่ห้ามนะครับ ไม่ห้ามโดยจงแต่ว่าต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นความตั้งใจของท่านเองอย่านึกถึงการปฏิบัติของสองท่านนะฮะเป็นสามีภัญญา ก, กันคือพระหมหากรจปะกับพระพัทากาบิลานีในสมัยที่ยังครองเรือนกันอยู่เนี่ยทั้งสองคนไม่มีความต้องการทางเพศเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกเสษฐีด้วยกันนะฮะลูกเสษฐีกับสปกโคตกับโกริยโคต รวยม า, าสารทั้งคู่แล้วเป็นลูกโทนของครอบครัวของสกุลพอครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะรักษาทรัพย์สมบัติมาศาลของสกุลเรียกมาหาสกุลเลยนะฮะสกุลใหญ่มากเอาไว้เนี่ยกวัยลูกทั้งสองแต่งงานกันแล้วคนทั้งสองได้พอรู้ข่าวจะได้แต่งงานและรู้ข่าวถึงความสง่างามของฝ่ายชายความสวยของผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะเกิดความรู้สึกในทางเพศเนี่ยมนันมีจดหมายส่งต่อกัน ก็บอกได้ข่าวอย่างนั้นอย่างนั้นก็ขอแสดงความดีใจแต่ว่าท่านทางหลายท่านเองนั้นต้องการจะบวชขอให้เธอเกิดเลือกผู้ชายที่เหมาะสมแก่เธอแต่งงานเธอไอ้ผู้หญิงก็เขียนต่างเดียวกันก็หาหาให้ให้ผู้ชายเนี่ยเลือกผู้หญิงที่เหมาะที่ควรมาแต่งงานด้ยวยกันเถอะไอ้คนถือหนังสือมันเกิดสวนกันบนทางพอดีสอบถามทราบความเอแฝงยังไม่เคยเจอกันเลยมันเขียนจดหมายถึงกันแล้วก็เลย แอบเปิดซองขึ้นมาดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องขอแต่งงานแล้วมันเป็นเรื่องขอให้คนอื่นขอแต่งงานแต่ตนเองจะบวชด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวนี้ก็ทำตัวเป็นฤษีแปลงสารนะแสดงความรักความยืดย้ายความศรนหาต่อกันทั้งสองฝ่ายอ่านแล้วก็พูดไม่ออกกันะทีนี้คือสงสารอีกฝ่ายหนึ่งแต่พอแต่งงานกันแล้วก็มาคุยกันบางคนเราก็ทวกจดหมายกัน ก็บไม่เคยได้รับจดหมายอย่างนีน้ในสุดก็ตกลงกันว่าตอนนี้พ่อแม่อยู่ก็ต้องรักษาน้ําใจพ่อแม่ก็นอนห้องเดียวกันและนอนเตียงเดียวกันแต่ว่าทํายังไงเราจะไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศเพราะอันทุกคืนที่นอนเนี่ยมีร้อยพวงมาลัยขวางไวนะ้น่ะวางขวางไว้ระหว่างเตียงของกลางเตียงนะะของคนทั้งสองก็นอนคนละด้านแล้วก็พวงมาลนะัยนั้นสองพวงนะฮะ เป็นเครื่องวัดจิตใจของคนลนะสองฝ่ายเลยมาความมานอกจากจะไม่มีความสัมพันธ์ในทางเพศแล้วเนี่ยร่างกายจะเบียดกันก็ไม่ได้เพราะถ้าร่างกายใครเกิดเบียดก็ไปทับอวัยวงมาเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็สูดสอบอมาเลยของใครช้ำบ้างแม้แต่ขณะนอนหลับแล้วเนะี่ยยังวัดจิตขึ้นอยู่เลยขนาดหนักมากเก่งมาก และในสุดพอพ่อแม่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายตายท่านอออก็ออกบวชออกบวชอุชิตพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าพระุเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้หรือยังเนี่ยก็บวชอุชิตไปตอนนั้นภิกษุณียังไม่มีพระพุทธเจ้าจะจู้ใหม่ๆพระุเจ้าก็เสด็จไปตอนรับประมาคสปะแต่ว่านางพระธาการิลานีก็ออกบวชแล้วก็ไปบวชในสำนักของปริภาชิกาเป็นปริภาชคนะครฮะปริภาชคผู้หญิงก็เรียกปริพาชิกา ต่อมาเมื่อเกิดพิสุนีท่านก็เข้ามาบวชแล้วก็เป็นพลาลาาระอรหันต์ระดับเอตตทักคันนั้นก็เห็นว่าตัวมันเมถนนวิราชนั่นแหละแต่มันมีความประนีตมากก็คุมก็ไปถึงความรู้สึกว่าเมถุนวิราชจริงแต่มีามการพิกตึกนึกเดี๋ยวนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่นะ่าปรารถนาหน้าพอใจอยู่หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบด้วยตัวเองและจิตใจท่านไม่มีอะไรจริงๆ อยู่กันได้ตั้งนานนะตอนท่านบวชเนี่ยอายุมากเลยก็ ร, รอพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นมาในโลกเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็รอสี่คนคนแก่สี่คนต้องตายไปก่อนด้วยนะไม่งั้นก็ไม่กล้าบวชปณินย์ขินอีกข้อหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการบิบัติของสามีที่จริงก็หมายถึงพัญญาด้วยนะคือถ้าพัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัติคือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อสามีของตัวเอง คนนี้เสษยบม่ถุนนะฮะ ม, มีมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนรักษาศาีหน้าประการแต่ว่าศีหน้าประการนั้นพอดีสามมันเป็นเครียดกรรมเมธะนั่นเองคือมีเพศสัมพันธ์ได้แต่มีข้อแม้ว่าปัญญานั้นจะต้องปฏิวัติคือซื่อสัตย์จริงใจสุจริตใจต่อสามีไม่มีความนอกใจต่อชายอื่นแม้แต่แม้แต่ความคิดนะฮะถึงชั้นหนึ่งเนี่ยมันลึกซึ้งมากเรื่องความคิด มนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ชอบสิ่งสวยงามนะพอเห็นสิ่งสวยงามมันอาจจะนึกไปแต่ว่าท่านจะคุมความคิดแม่นึกเลยส่วนสามีก็เรียกว่าสถาระฉันโดดมีเพศสัมพันธ์มีความต้องการทางเพศแต่ไม่ข้ามเส้นคือไม่นอกใจพัญญาของตัวเองส ร, สรุปว่าเป็นผัวเดียวเมียเดียวจริงๆ หมายความว่าแม้แต่ความคิดจะไปนอกใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในใจของท่านเราเังเป็นความประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็นี้ก็เป็นพรหมจรรย์ที่ประณีตขึ้นแต่จากนั้นก็เป็นก็เรียกว่าวิริยะวิริยะก็คือแบบสัมมาวยมาม่นั่นแหละ หมายความว่าโดยสรุปก็คือเพียรละบาปบำเพ็ญบุญแต่ ว, ว่าเป็นการปฏิบัติที่มันประณีตมันเป็นพรหมจันทร์เพราะนั้นมันก็ต้องมองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเกิดราค่าเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาในโอกาสต่อไปนะไปปนเชื้อกิเลสต่อไปก็ป้องกันไว้ก็แสดงว่าเรื่องยังไม่เกิดคล้ายๆก็มีโรคระบาดเรารู้ว่ามีโรคระบาดหราก็ฉีดวัตถุสิ่งขอ ง, งกันไว้เซกอดหรือว่าไม่ไปในสถานที่นั้นเพื่อไม่ต้องไปรับเชือ้อ ไม่ต้องไปรับเชื้อโรคจากสถานที่ทั้ทานจะบคลรุกโดนดั้นี้ะการที่สองมันเกิดแล้วคือความชั่วความไม่เหมาะสมต่างๆบาปอาฆางต่างๆมันเกิดแล้วแต่ก็มองเห็นโทษชัดเจนจากที่ตนในสัมผัสก็พยายามเลิกละไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเด็ด น, น, นั้นก็เป็นความระิีขึ้นอีกระดับหนึ่งคือขจัดปัดเป่าออกไปโทษมันเกิดแล้วนะฮะ ก็มีร้อยช้ำแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็รถบันเทาให้จางคลายลงไปมีความพอใจชื่นชมในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายคือธรรมะปฏิบัติในที่จริงมันก็จับสักจุดไหนก็ได้เช่นสมมติเราเริ่มที่ศรัทธาความเชื่อมั่นที่ยังลงมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระรังกศรัทธาที่เกิดขึ้นจะทำได้ ถ้าที่ขจัดความไม่เชื่อในการศัสรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่อยมานะฮะไม่เชื่อในพระคุณไม่เชื่อในประวัติต่างๆมขาขจัดออกไปได้หมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะท่านที่ปฏิบัติทางจิตมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตพัฒนาการทางจิตที่ท่านเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภิริกลุ่หนึ่งก็คือศึกษาปริยัติ ด, ด้วยความพารพศึกษาจริงนะฮะมีการเชื่อมโยงเทียบเคียงแตกฉานในประจัยบิดกอัตกถาดีกา แล้วก็สอบทานกับอนุดิกาพวกโยชนาอะไรแต่ไได้พวกนี้จะเชื่อหมดคือคนที่แสดงการไม่เชื่อเนี่ยจากการสังเกตคือไม่เคยศึกษาไม่เคยศึกษาไม่เคยละเรียนไม่เคยอ่านอ่านก็อ่านขาดๆวุ่งเป็นท่อนเป็นตอนนะไม่ได้อ่านในต่อเนื่องเพราะจริงๆในการจะไปแตกฉานในวิชาดใดวิชาหนึ่ง นอกจากสายที่ตัวเองแตกฉานมาก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะสมมติว่าเราจะไปศึกษาในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งซึ่งข้างนอกอยู่ข้างนอกในชีวิตเราเนี่ยแล้วจะแตกฉานได้ถึงสองเรื่องมันจะยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาชีวิตเรามันไม่พอเป็นไวแต่ว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องครอบครัวอะไร แล้วก็ทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปในงานการงานต่างๆก็ตัดทอนลงไปแะมีคนมาแบ่งเบาภาระจัด ก, การจัดทําให้แล้วก็มีเวลาทุ่มเทไปศึกษาค้นคว้าสอบทานเทียบเคียงสันนานแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยก็ทําได้นะถ้าอย่างนั้นน่ยถ้าแต่ก็ลเลยต้องมีพื้นฐานมีความปลัดเปลืองเป็นฐานก็เรียกว่าค่อนข้างเป็นอัจฉรยิยะนะครับก็ยังนึกถึงคารวะเนี่ย ามาอย่างเสียดายมองราชวงครึกฤทธิ์ประโมทแต่ว่าก็คนรนนอนะไม่ต้องตายคืยังนึกว่าต่อไปเราจะมีหรือคนที่เก่งขนาดเนี้ยมีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลึกซึ้งจับตรงไหนลึกซึ้งหมดเลยเขียนหนังสือแยกสายออกไปเลยนะแยกสายออกไปเลยจากเรื่องที่ท่านถนัดท่านสนใจนะแต่ว่าแสดงเห็นถึงความรอบรู้แตกฉานในเรื่องเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นนักปราดคนหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยากกดว่าเป็นรอยร้อยปีนะฮะจะเกิดขึน้นมาสักครั้งคุ้มดูธรรมดาแล้วก็แต่เห็นว่ามันแตกฉานในหลายศาสตร์มันยากเพราะถ่าคนหนึ่งก็แตกฉานในสัตว์อย่างใดอย่างหนึน่งแล้วก็มาแตกฉานในพุทธศัตว์ด้วยนีย่มันก็ไม่ใช่เรื่องธรร ม, มาดาแล้วคนคนแตกฉานจ ร, จริงเนี่ยเขาไม่เคยกระทเพื่อจะให้ความปรก ซึ่งจนเตียกว่าให้ความรบทุกตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัมภีรได้ทําไปก็เรียกมีความรบหนักแน่นในพระาศาสดามีความคารบหนักแน่นในพระธรรมมีความรบหนักแน่นในพระสงฆ์มีความเคารบหนักแน่นในใจศีรษะมีความคารบหนักแน่นในความไม่ประมาทกันต้อนรับปฏิสันธาอไรแต่มันหนักแน่นไปหมดเลยนั่นก็คือการปฏิบัติที่มันลึ่นลงไปลําดับจากการเจริญกุศลก็วันนี้นแสดงว่าเป็นกุศล